เจอความป่วยไข้เเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะเราจะนึกถึงแต่เรื่องการรักษาเยอะอยาทางกายนี่มันไม่พอนะต้องนึกถึงเรื่องของการดูแลจิตใจด้วยใจปล่อยวางเนี่ยนะมันก็บอกอในตัวแล้วว่าเป็นเรื่องการทำจิต บางคนเนี่ยพอได้ยินว่าปล่อยวางก็ก็ใจว่าปล่อยปากละเลยนะไม่ทำอะไรอ่าถ้าเจ็บป่วยก็ควรจะทำนะเช่นกินยาไปหาหมอหรือว่าควบคุมอาหารออกกำลังกายตามสมควรอันนี้เรียกว่าเป็นการทากิตนะแต่ว่าอย่าลืมการทำจิตด้วยนะปล่อยวางเนี่เป็นเรื่องการทำจิต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 อุตส่าห์ดูแลสุขภาพมาอย่างดีออกกำลังกายเป็นประจำจะ ก, กินอาหารนะก็เลือกกินนะเช่นกินแต่อาหารชีวตจิตกินอาหารมกโรเบิลติกหรือว่ากินแต่อาหารที่มันปลอดสารพิษเป็นพวกออแกนิกหลายคนมีพิถีพิถันมากนะในเรื่องการกินอาหารในเรื่องสุขภาพนะ บางทีก็กินอาหารเสริมนะสไป ร, รูไรน่าหรือว่าโคควิเอะไรที่เขาว่าดีช่วยทำให้ต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้เป็นมะเร็งก็ไปหาซื้อมาทั้งที่ราคาแพงแถมยังไปตรวจสุขภาพเป็นประจำแต่วันดีคืนนีก็พ่อตัวเองเป็นมะเร็งนะมีบางคนที่พอพราว่าตัวเองเป็นมะเร็งทั้งทั้ ง, ท, งที่ดูแลสุขภาพดีกัน แกไม่เพียงแต่ตกใจนะแต่ยังโกรธด้วยนะโกรธ ด, ด้วยทนะําทำไมต้องเป็นชั้นนะเป็นชั้นได้ยังไงฉั้นเป็นมะเร็งได้งไงชันไม่น่าจะเป็นมะเร็งเลยเล่ายาหรือว่าบุหรี่ก็ไม่สูบออกกาลังกายก็ทำเป็นประจาทำไมคนอื่นเนะนะี่ยนะมันกินเล่าสูบบุหรีม่มนไม่เป็นทำไมถึงต้องเป็นชั้นไม่ยุติธรรมเลยแล้วก็จะมีอาการโกรธเกลียว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 น่าสำคัญมากเลยนะเสียงบนอยู่ในใจนะว่ามันไม่ยุติธรรมไม่แฟร์คนเราเนี่ยนะในยามที่เจอความทุกข์เนี่ยมันยอมรับไม่ได้เนี่ยมันก็จะหามีข้ออ้างต่างๆว่ามันไม่ยุติธรรมเลยมีคนหนึ่งไปโรคสุราเลือรังแอลกอฮอลนี่เต็มในสายเลือดนะจนกระทั่งเลือดเนี่ยมันไม่แข็งตัวแล้วมันก็ไหลออกมา ตามข้อต่อแล้วก็ตามใต้ผิวหนังจนกระทั่งเห็นไปร้อยช้ำทั่วร่างกายจะตายอยู่แล้วก่อนจะตายนี่ก่อนที่จะหมดความรู้สึกตัวนี่แกก็จะเฝ้าแต่คร่ำครวนบ่นว่าไม่แฟเลยนะไม่แฟเลยทุกครั้งที่ฉันกินเหล่านี่ฉันเติมน้ําให้มันเจือจางตลอดเวลาแล้วทำไมยังเป็นโลกนี้อีกนะ นี่ขนาดจะไม่เลิกกินเหล้านะขนยังกินเหล้าตลอดเวลากินเหล้าเป็นประจำก็ยังบอกไม่แฝงที่ป่วยอ้างว่าฉันเติม น, น้ำให้มันเจือจางอยู่ทุกครั้งอันนี้เป็นการทำร้ายตัวเองนะแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการที่ว่าปล่อยวางมันซะนะปล่อยวางความคิดว่าไม่แฝงมันเกิดขึ้นแล้วนี่นะจะบน่นจะเวอยไปทําไมนะการบน่นการเวรยตีโพยตีพาย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 ช่วยได้เยอะทีเดียวแล้วมันก็มีผลต่อกายด้วยมีคนหนึ่งก็พูดดีนะเป็นมะเร็งเธอเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุ30สเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นับกับคนที่เป็นหนุ่มสาวเท่าไหร่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิดหนึ่งหมอยังไม่เชื่อเลยฮะยังไม่ยังคิดว่าผลตรวเนี่ยมันผิดพลาดตอนที่เป็นนี่เธอก็ ทุกมากนะเวียงวีนใส่คนรอบข้างพ่อแม่หมอพยาบาลเพื่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ถูกต้องนะมันไม่น่าจะเลยนะที่ฉันต้องเป็นแต่ตอหลังเธอก็เริ่มยอมรับได้นะใจเธอเริ่มสงบทั้งที่อาการก็ลุกลามมากขึ้นเธอพูดเอาไว้ว่านเนี่ย ในขณะที่เราคิดว่าความจริงเนี่ยมันโหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเป็นเหมือนคุกที่ขังใจเราเอาไว้ความจริงบางครั้งมันโหดร้ายนะคือความจริงว่าเป็นมะเร็งแล้วแต่ที่มันโหดร้ายกว่าที่มันแย่กว่าคือการไม่ยอมรับความจริง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 นอนติดเตียงมีสายรถยนตระย่างนึกถึงนึกเห็นภาพตัวเองกำลังทุกข์ทรมานเน้แบบนี้มันทำให้จิตเนี่ยุดเลยนะหรือการนึกถึงความตา ย, ยว่ายังตายไปทุกข์ทรมานที่จริงเนี่ยนะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า การที่ไปวิตกกังวลลุ่งหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันก็ซ้ําเติมนะีมีคุณป้าคนหนึ่งนะอายุ70กว่าก็ไปหาหมออยู่หลายครั้งเที่ยวเข้าเที่ยวออกเนี่ยแหละเพราะว่าหมอไม่รู้เป็นอะไรให้ยาไปก็ไม่ได้ดีขึ้นสุดท้ายวันหนึ่งหมอก็บอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกิน3มเดือน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 ที่ปรุงแต่งเนี่ยบางก็อยู่ได้12บวันแกก็ตายหมอบอกว่าอยู่ได้สามเดือนบางคนเป็นมะเร็งตับเนี่ยอยู่ได้สมปนะีแต่ทำไมนะคุณป้าคนนี้อยู่ได้แค่12บวันนะพ่อแกวิตตกกังวลมากนะไปนึกสร้างภาพนะที่มันเลวร้ายนะในอนาคต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 ความสุขที่ได้สนทนานะกับลูกหลานนะความสุขจากการที่ได้ไปเที่ยวบ้างกินอาหารที่ชอบบ้างนะหรือว่าได้ไปทำวัดทำบุญสวดมนต์ให้จิตสงบมันมีความสุขในปัจจุบันนะที่เราสามารถจเก็บเกี่ยวแล้วก็บำรุงใจนะซึ่งก็ช่วยทาให้กายดีขึ้นได้แต่คนส่วนใหญ่นะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยปิดเลยนะปิดรับความสุข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 นึกถึงว่าเนี่ยถ้าสามีตายเนี่ยเธอจะอยู่อย่างไรแลวลูกล่ะใครจะส่งเสียนะพอคิดแบบนี้เข้าสุดเลยนะไม่มีเรื่อไม่มีแรงนะดูแลสามีจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มันก็นะจิตใจก็ยแย่ร่างกายก็ไม่ดีรนะ่างกายภายผอมเขียนมาปรึกษาว่านะจะทำย่างไร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 หรือทั้งถึงมันกำลังจะเกิดขึ้นนะมันก็ยิ่งจำเป็นที่ต้องนะเก็บเกี่ยวความสุขในปัจจุบันนะให้ได้มากที่สุดด้วยการที่นะเอาใจเนี่ยมาอยู่นะกับปัจจุบันขณะเรืนการปล่อยวางอนาคต ก, ก็สำคัญนะปล่อยวางอนาคตหรือภาพปรุงแต่งในทางเลวร้ายนะไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้ไม่ต้องเตรียมตัวนะการเตรียมตัวก็จาเป็นต้องมีนะเช่นไหนต้องนึกถึงว่าถ้าเกิดเรา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 นันต้องวางซะวางประการต่อมานะก็คือวางความอยากอยากอะไรนะอยากหายอยากหายป่วยอยากหายเจ็บนะเพราะว่าความอยากนี่แหละนะมัทําให้เกิดความทุกข์กับจิตใจหลวงปู่้าวเนะี่ยท่านผู้ไปดีท่านบอกว่าไอ้ความอยากหายจากทุกขเวทนาเนี่ยนะ อย่าไปอยากนะเพราะถ้าอยากแล้วมันจะเป็นการเพิ่มสมุทไทยนะคือทำให้ทุกข์มากขึ้นท่านบอกว่าถ้าจะอยากนะให้อยากเห็นความจริงจากทุกขเวทนาที่กำลังเกิดกับร่างกายไอ้ความอยากเห็นความจริงนี่แหละนะัมันจะเป็นตัวเพิ่มนะเป็นองค์มครักนะที่มันจะเป็นตัวเพิ่มความเพียร น, นะซึ่งทำให นะกิเลมันหายไปนะอยากหายถ้าอยากหายนี่อันตรายนะเพราะว่ามันยิ่งทําให้ทุกทรมานมากขึ้นวางความอยากหายนะไม่ว่าจะเป็นหายป่วยหรือหายเจ็บนะซึ่งในด้านนี้ก็คือการนะอยู่กับมันนะอย่างเป็นน้อยอยากสันติถ้าอยากหายเมื่อไหร่เนี่ยมันจิตมันจะผลักใส่นะ แล้วจะมีอาการทุรนทุรายหงุดหงิดมากมีผู้ชายคนนึงแกเป็นคนฉลาดนะแล้วก็เป็นคนหัวไวแต่ว่าที่มาคู่กันคือใจร้อนใครทำอะไรไม่ถูกใจหรือทําอะไรเชื่องชา้าแกก็โกรธนะแล้วคงเป็นเพราะวาความใจร้อนนะแล้วก็ความงุดหงิดนะได้อะไรไม่ทันใจก็มีอารมณ์ขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้เส้นเลือดในสมองแตกนะ กลายไปเป็นกลายเป็นอมัอมาพาตอัมพาตอัมพาตกันะกนะเดินเหินก็ไม่ค่อยได้นะมันเปลี้ยไปหมดเลยหุดหดมากนะคนที่เคยทำอะไรได้ด้วยตัวเองเนี่ยพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะก็จะมีความทุกข์มากไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาหมอเนี่ยมาช่วยเยียวยามีการทำกายภาพบำบัด นะแก่ก็จะงดเยอะเมื่อไรจะหายสักทีเมื่อไรจะหายทีเมื่อไรฉันจะเดินได้จนะยิ่งยิ่งคิดแบบนี้ก็ยิ่งทุกข์นะจนกระทั่งพอถึงจุดหนึ่งหลังจากที่ผ่านไปเป็นปีนะกายภาพบาบัดนะทำยังไงทำงไงก็ไม่สามารถจะเดินได้เหมือนปกติหรือใช้มือนะอย่างที่เคยเคยทำแกก็เริ่มยอมรับนะ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 เกือบจะเป็นปกติเลยแล้วที่เปลี่ยนไปอย่างคืนนิสัยนะนิสัยก็เปลี่ยนไปด้วยจากเดิมที่เป็นคนใจร้อยจุ้จี้ขี้บ่นนะก็ใจเย็นอดทนได้งั้นนี่เลยว่าเป็นเพราะว่านะเขาเนี่ยวางความอยากอยากหายอยากจะให้กลับมาเดินได้ยิ่งอยากมันยิ่งช้านะแต่พอวางความอยากเนี่ยอาการฟื้นฟูก็ดีขึ้น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 ก็มีพรฝรั่งรูปหนึ่งป่วยป่วยเนี่ยรักษาอย่างไงก็ไม่หายนะไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณจะขั้ฝังเข็มจะให้สมุนไพรยังไงก็ไม่ค่อยดีขึ้นเพื่อนเนี่ยนะก็มาเยี่ยมเพราะว่าเป็นคนที่เพื่อนเยอะแล้วก็มีน้ำใจเพื่อนไม่เป็นเพื่อนพราเพื่อนโยมนะก็มาพูดให้กำลังใจแล้วหลายคนก็หายเร็วๆนะ หายเร็วๆนะทำใจดีๆเอาไว้นะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าท่านก็ไม่ดีขึ้นเลยนะแล้วก็มีแต่แย่ลุนจนกระทั่งเหมือนกับว่าคงตายแน่แล้ววันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อสุเมโทโธนะท่านเป็นอาจารย์ของภาพรูปนี้แล้วก็ตอนนั้นเป็นเจ้าวาดวัดอมรว ด, ดีก็มาเยี่ยมอยู่คนละวัดกันแทนที่ท่านจะพูดให้กำลังใจท่า น, นกับบอกว่าเนี่ยท่านกิติสาโรนะ จะตายก็ตายได้นะอย่าพยายามหายอย่าพยายามอยากหายเนะี่ยพระลุกนั้นร้องไห้เลยนะร้องไห้ด้วยความซาบซึง้งพอรู้สึกว่าเหมือนกับยกภูเขาจากอ ก, อกแล้วปกติวันนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีวันดีขึ้นจนกระทั่งหายนะและทุกวันนี้ก็มีชีวิตยอยู่เลยอาการของพระลูกอี้ย่หลวงพ่อรู้รสึกว่า ต้องแบกรับความคาดหวังของเพื่อนนะเพื่อนอยากจะให้เราหายแต่เราก็ไม่หายสักทีเราพยายามนะพยายามต่อสู้กับความเจ็บป่วยแต่มันก็ไม่หายพอไม่หายนี่ก็หงุดหงิดนะพอไม่ดีขึ้นก็รู้สึกกังวลมันก็ทำให้ร่างกายแย่งหลบแย่ลงแต่พออาจารย์สุมเมโธพูดแบบนี้เนี่ยแกเลยปล่อยวางเลยนะความคาดหวังของเพื่อนนะฉันไม่สนใจแล้วครูบาอาจารยอ์อนุญาตให้ตายแล้ว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 มันเป็นภาวะที่เหมือนกับถูกกดดันความเจ็บปวดก็เยอะอยู่แล้วยังต้องเจอแรงกดดันของเพื่อนที่หวังดีนะงั้นการปล่อยวางความคาดหวังของตัวเองก็ดีนะของคนอื่นก็สาคัญนะปล่อยวางอีกอย่างนะึงนะสำคัญมากคือการปล่อยวางความเจ็บปวดอันนี้ไม่เหมือนกับเมื่อกี้พูดนะเมื่อกี้บอกว่าปล่อยวางความอยากให้มันหาย ปล่อยวางความเจ็บปวดหรือปล่อยวางทุกขเวทนาคนที่เจ็บป่วยแล้วก็เจ็บปวดนี่นะ mm hmm. เขาไม่ค่อยรู้หรอกนะว่าเขากาลังยึดมันเอาไว้เขากำลังยึดมันเอาไว้ความเจ็บปวดเป็นของที่เราไม่ชอบแต่เราก็ยึดอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยดูเหมือนผักใสนะแต่ลึกๆเนี่ยมันมีการยึดเอาไว้แต่ถ้าเราลองวางนะ ความเจ็บปวดหรือลองลืมปวดตัวบ้างมันจะดีขึ้นคุณหมอมาาเนี่ยเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเป็นมะเร็งนะแล้วมันก็ลามไปจนกระดูกแล้วคนไข้คนนี้เป็นอาจารย์แพทย์อายุกค40ี่สิบกว่าแล้วก็ปวดมากตอนนั้นเนี่ยยาหมเฟนก็เอาไม่อยู่นะเพราะมันลามไปเป็นระยะท้ายแล้วหมอให้หมเฟนทุกสามชั่วโมงแกก็ไม่ไหวอยากจะขออีกหมอก็ให้ไม่ได้เพราะว่าให ถ้าให้มากกว่านี้การมันจะมันจะเกิดโทษมันจะไปกดการหายใจคุณหมอมาเห็นอาตการ์ของคนไข้ทุกทรมานนะเรียกว่าตัวซีดเนี่ยเหงื่อเนี่ยเม็ดโตๆออกมานอนไม่ได้ต้องนั่งนั่งก็นั่งเ ง, ง, งอกรเงอขิงด้วยความปวดคุณหมอก็เลยถามว่าเคยภาวนาไหมเคยทำสมาธิไหมบอกไม่เคยคุณหมอก็เลยแนะนำนะการทาสมาธิ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทคนไข้ก็ทำตามนะทีแรกคุณหมอมาคิดว่านเนี่ยคนไข้เนี่ยปวดแบบนี้คงทำได้ไม่เกินห้านาทีพอกก็ว่าห้านาทีผ่านไปแกก็ยังนั่งสมาธิอยู่สิบนาทีผ่านไปก็ยังทำสมาธิอยู่ผ่านไปสิบห้าหรือี่ิบนาทีก็ยังทำอยู่แล้วก็ยิ่งทำยิ่งดีขึ้นจนทั้งสี่ห้านาทีหรือห0สิบนาทีแกจึงค่อยอ่า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 ก็กำลังจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างอยู่สมาธิเนี่ยนะมันช่วยทําให้จิตเนี่ยวางความเจ็บความปวดลงได้กายมันปวดแต่จิตไม่ได้ทุกนอกจากสมาธิอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยคือสตินะสตินี่มันมีประโยชน์คือมันเป็นเหมือนกระตาในที่ช่วยทําให้เรามาเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดอย่างที่หลวงพ่อมเขียรติท่านพูดเนี่ยเห็นอยาเข้าไปเป็นหลวงพ่อมเขียรตินเคยปวดนะ เพร า, าเป็นมะเร็งนะปีสก็จะเป็นมะเร็งครั้งแรกเนี่ยแล้วก็มันมีหมอพบว่ามันมีมันมีก้อนเลยตรงแถวตับพอกดที่ท้องท่านก็กดที่ท้องเสร็จ ก, ก็ถามท่านว่าปวดไหมท่านบอกปวดเต็มร้อยเลยปวดเกินร้อยอีกซ้ำท่า น, นบอกหมอก็เลยถามแล้วทำไมไม่ไม่ร้องท่านบอกว่าจะร้องทําไมขาดทุนก็มันปวดอยู่แล้วเนี่ยการร้องก็เป็นการซ้ําเติมแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ย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 มันไม่ใช่แค่เห็นความปวดนะั่นเป็นผู้ปวดเลยอันนี้เรียกว่าเข้าไปยึดแล้วก็ไปยึดทุกเขเวทนาต้องวางมันลงนะสติมันช่วยนะเพราะว่าสติมันทําให้รู้ตัวไม่รู้ตัวหรือหลงเมื่อไหร่มันก็เข้าไปยึดทั้งที่ทุก เ, เวทนามันไม่ได้น่ายึดเลยแต่เพราะความหลงเนี่ยมันก็เลยโง่พอโง่แล้วมันก็เลยไปยึดแล้วก็เลยใจก็ทุกข์นะแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยนะรู้ตัวพอรู้ตัวปุ๊บมันวางเลย งันการวางทุกเวทนาเนี่ยนะมันสาคัญมากนะต้องวางให้เป็นนะส่วนใหญ่เข้าไปเป็นมากกว่าแล้วก็วางอันสุดท้ายนะปล่อยวางสุดท้ายนะคือปล่อยวางร่างกายนี้นะปล่อยวางร่างกายก็คือไม่ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรานะก็มีเรื่องในพระไตรปิฎกนะอุบาสกคนหนึ่งชื่อนกกลบิดาเนี่ยป่วยหนักพระพุทธเจ้าเสด็จมาเยี่ยม แล้วก็พูดกับท่านว่าเนี่ยนะแม้กายป่ว ย, ย่าให้ใจป่วยด้วยนะแม้กายถูกโรคหลุมเล้านะแต่ย่าให้ใจถูกโรคหลุมเล้าด้วยนักกุยมีตาฟังแล้วก็เรียกว่ามีความปิติมากนะสีหน้าผ่องใสเลยพอพระพเจ้าสเสด็จ ก, กลับไปเนี่ยนะพระสรุปมาเยี่ยมนักกุยมิดาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ถามว่า กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเนี่ยทำได้อย่างไรนะภาษาลบับอกอธิบายว่าเนี่ยกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยได้นะนะเ ม, มื่อมีเมือม่อระลึกเมื่อเมื่อได้ตระหนักว่านะว่ารูปนี้ไม่ใช่เรานะไม่ใช่ของเรานะเมือ่อใดก็ตามที่รูปมันแปรปลวนนะก็จะไม่มีความเจ็บไม่มีความ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 รวมทั้งวิญญาณที่อาศัยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมพาระส า, ารีบุตรนะก็ได้แนะนำไปเรื่อยๆเป็นลำดับเนี่ยอาจารย์ทนพิกัาษฟังแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเลยนะคลายความปวดคลายทุกขเวทนาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะก็เพราะว่าเนี่ยเมื่อไม่ยึดมั่นนะว่า รูปเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนะรูปมันจะป่วยรูปมันจะเจ็บนะมันกนะ็เป็นเรื่องของมันที่จริงพระสารูปุญญาแนะนำให้ละนะแม้กระทั่งกายและใจไม่ยึดมั่นคือไม่ยึดว่าเป็นราเป็นของเรานาะพอไม่ยึดมั่นปุ๊บเนี่ยนะจิตใจก็สบายโปรดปลอดโปร่งอันนี้เป็นเป็นธรรมะขั้นสูงนะซึ่งจะปล่อยวางได้ก็ต้องอาศัยปัญญาเนะ อนาตพินที่กะท่านก็เป็นโซดาบัล น, นะเพราะท่านก็เข้าใจได้ง่ายแต่ถึงแม้เราเป็นปุถุชนเนี่ย ก, ก็ควรพยายามนะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้นะอาศัยสตินี่แหละนะเป็นตัวช่วยนะให้เราเห็นความจริงของกายและใจเพราะสติมันเป็นตาในอยู่แล้วถ้าเราเหมั่นมองมองตนใช้สติดูกายดูใจเนี่ยมันก็จะเห็นความจริงของกายและใจว่ากายและใจเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะการละใจก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะปัญญาไม่เกิดขึ้นจากการที่เราใช้สติดูกายดูใจอยู่หนึ่งเนืองอันนี้ก็เป็นการปล่อยวางขั้นสูงนะแต่ถึงแม้จะปล่อยวางร่างกายนี้ไม่ได้นะแต่ว่าปล่อยวางไอส้สข้อข้างตนเนี่ยนะพวกเราน่าจะทำได้นะปล่อยวางนะเสียงบนข้างในนะปล่อยวางความคิดว่ามันไม่แฟไม่ติธรรม ปล่อยวางอนาคตปรุงแต่งที่ที่ปรุงแต่งไปในทางเลวร้ายนะปล่อยวางความอยากหายอยากนะอยากหายจากทุกขเวทนานะปล่อยวางความคาดหวังนะของคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็ทําได้รวมทั้งใช้สติเนปล่อยวางทุกขเวทนาด้วยอะก็ผู้สั่นสันเท่านี้นะอ่ะในเวลากราบพระพร้อมกัน